ข้อความในจุลเวททลสูตรเนี่ยนะต่อจากครั้งที่แล้วในหน้าส3 0สข้อห้าอวิสาขอุบาสกผู้เป็นพระอนาคามีเนี่ยนะได้เรียนถามพระธรรมทินาภิกษุณีว่าพระแม่เจ้าก็เวทนาเนี่ยนะมีเท่าไหร่คำถามว่าเวทนาเนี่ยทั้งหมดมีเท่าไหร่ เป็นคำถามที่เรียกว่าผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยนะจะต้องรู้จักดับเวทนาทีนี้เวทนาเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ที่ผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยดับเวทนาได้อย่าลืมว่าสัญญาเวทายตนิโรธก็คือการดับเวทนาดับสัญญาแล้วก็ดับเวทนาตรงนี้ยกตัวอย่างว่าเวทนาที่ผู้เข้านิโรธสมาบัติดับเนี่ยทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วก็อย่างไร พระธรรมทินนาภิกษุนีก็บอกว่าคุณวิสาขะความเสวยอารมณ์คือเวทนาเนี่ยนะมีสมประการคือสุขเวทนาในอย่างหนึง่งทุกขเวทนาในอย่างหนึง่งและอทตถุขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาในอย่างหนึง่งคําถามต่อไปบอกว่าพระแม่เจ้าสุขเวทนาเป็นอย่างไรทุกขเวทนาเป็นอย่างไรอทุกุขมสุขเวทนาเป็นอย่างไร คือเวทนาแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่เป็นอย่างไรพระธรรมทินนาก็บอกว่าอวุโส ว, วิสาขาความเสวยอารมณ์ที่สุขสำราญซึ่งเป็นไปในกายหรือเป็นไปในจิตอันนี้ชื่อว่าสุขเวทนาก็แปลว่าความสุขทางกายและความสุขทางใจนี่นะเรียกว่าเสวยอารมณ์ที่สำราญสำราญก็แปลว่าสบายเนี่ยนะที่สุขสบายจริงๆเลยแหละเสวยความสุขทางกายและใจที่สบาย ความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สําราญทั้งทางกายและทางจิตชื่อว่าทุกขเวทนาก็ว่าป่วยกายป่วยใจเนี่ยนะไอ้ความป่วยกายป่วยใจเจ็บกายเจ็บใจนี่แหละชื่อว่าทุกขเวทนาส่วนความเสวยอารมณ์จะเรียกว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกขก็ไม่ใช่คือไม่ทุกขไม่สุขที่เป็นไปทางกายและจิตอันนี้ชื่อว่า ทุกข้ามสุ ข, ขเวทนาหมายคือว่าถ้าอารมณ์อย่างดีอารมณ์ที่ดีโดยทั่วไปเป็นที่ตั้งแห่งสุขอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์แล้วก็อารมณ์ทั่วทไปเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาคําว่าอารมณ์ภาษาไทยกับบาลีไม่เหมือนกัน อ, ะนะอารมณ์ภาษาไทยนั้นหมายถึงจิตใจอารมณ์ภาษาไทยเนี่ยหมายถึงจิตเช่นวันนี้อารมณ์ไม่ดีแปล ว, ว่าใจไม่ค่อยดีนะแต่เป็นคําพูดโดยอ้อม นะคําพูดโดยอ้อมว่าพูดถึงอารมณ์แต่ก็หมายถึงใจะนะเพราะใจยังไงใจมันก็ปราศจากอา ร, รมณ์ปัจจัยไม่ได้แต่จิตก็อย่างหนึง่งอารมณ์ของจิตก็อย่างหนึง่งการที่บอกว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีแปล ว, ว่าจริงๆแล้วสุขภาพจิตไม่ดีเพราะอะไรเพราะรับรู้อารมณ์ที่ไม่ดีจิตใ จ, ใจก็เลยไม่ดีแต่ตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าตัวอารมณ์เนี่ยไม่ดีจิตเราใดที่ไปรับรู้สิ่งที่ไม่ดีจิตเหล่านั้นเรียกว่าจิตที่เป็นทุกข์นะ แบ่งออกเป็นทุกทางกายแล้วก็ทุกทางใจทุกทางกายก็เช่นปวดเมื่อยเนี่ยนะเจ็บปวดทั้งหลายในร่างกายส่วนทุกทางใจก็คือรับอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจเช่นฟังว่าจะต้องไปประสบกับสิ่งที่ตัวเองไม่ปรารถนาไปเจอกับสัตว์และสังขารที่ตัวเองไม่ปรารถนาเนี่ยนะหรือต้องพลัดพรากจากสัตว์และสังขารที่ตัวเองปรารถนาลักษณะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิด ทุกเนี่ยนะส่วนความสุขละ่ะก็ต้องได้ประสบกับสัตว์สังขารที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยนะจากสัตว์และสังขารที่ตัวเองไม่ปรารถนาเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นสุขแต่ถ้าเป็นทั่วทั่วไปเนี่ยนะจะว่าอยากเจอก็ไม่ใช่จะว่าไม่อยากเจอก็ไม่ใช่ก็เป็นอารมณ์ทั่วทั่วไปก็เป็นทุกข์ขมสุขก็คืออุเบกขาก็เหมือนว่าทุกขเวทนาสุขทุกขเวทนาก็เหมือนกับว่า เราทานอาหารที่เราเกลียดที่สุดเนี่ยนะแม้จิตใจที่ต้องไปรับรับทนทานอาหารที่ตัวเองเกลียดที่สุดเลยเนี่ยจิตใจจะเป็นอย่างไรส่วนสุขเวทนาก็เหมือนว่าได้รับอาหารที่ตัวเองชอบที่สุดเนี่ยนะสภาพจิตใจตอนนั้นจะเป็นอย่างไรนั่นแหละเป็นสุขส่วนอุเบขาเนี่ยก็บอกพอทานได้นะทานได้เฉยๆนะก็ก็ทานได้ไม่ว่ากันนะไม่ถึงกับชอบแต่ก็ไม่ได้เกลียดอะไรไม่รังเกียจอะไรพออยู่ได้อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าอุเบขา ทีนี้คำถามเจาะเรียกว่าเป็นคาถามเจาะในเรื่องเวทนาจริงๆนะวิสาขาอุบาสกนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญารอบรู้ในเรื่องเวทนาเพราะเป็นผู้ที่รอบรู้ในเวทนานั่นแหละจึงสามารถหยิบเกี่ยวกับเรื่องเวทนาแล้วมาตั้งเป็นปัญหาโดยนยยต่างๆซึ่งถามต่อไปอีกว่าสุขเวทนาเป็นสุขเพราะอะไรสุขเวทนาถ้ามันจะกลายเป็นทุกข์ไปเนี่ยเพราะอะไร อันนี้ถ้าถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็ยากที่จะคิดเอสุขเวทนามันทุกข์ด้วยหรือทาไมมันจึงเป็นทุกข์แล้วสุขเวทนานเนี่ยมันเป็นสุขเพราะอะไรซึ่งผู้ที่ตอบก็มีปัญญาพิจารณามารอบครอบแล้วก็บอกว่าสุขเวทนานเนี่ยนะเป็นสุขเพราะคงอยู่ถ้าหากว่าสุขเวทนายังทรงอยู่ก็เป็นสุขแต่ถ้าสุขเวทนานหมดไปลนะ่ะอันนี้เป็นทุกข์ละเนไห ค, คือความสุขเนี่ยนะยังดีคิดว่าเป็นสุขตราบเท่าที่ความสุขยังมีอยู่แต่ถ้าความสุขหมดไปเมื่อใดก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นนะนะเรเปรียบเหมือนร่างกายของเราเนี่ยนะก็สบายตราบเท่าที่ยังไม่ไม่อักเสบเป็นต้นเนียต่อเมื่อใดเป็นอักเสบเป็นอะไรเป็นต้นไอ้ที่เดียวกันนั่นแหละเป็นแปรสภาพไปเป็นทุกข์เลยเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขก็คือมันดำรงอยู่ ไอ้ความที่ความสุขเนี่ยนะดำรงอยู่อย่างต่อเ น, นื่องรับแต่อิทธารม่มมันก็เป็นความสบายไปเรื่อยๆเป็นสุขเพราะทรงอยู่แต่ถ้าหมดปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยทุกขึ้นมาทันทีเลยอย่างสมมติว่าร่างกายของเราสมมติว่าอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเย็นสบายถือว่าเป็นสุขแต่ถ้าลองไฟดับดูสิไฟดับแล้วก็ไม่มีพัดลมเป่าอะไรก็ไม่ได้แล้วต้องทนอยู่ตรงนั้นอนะ่ะทุกขเวทนาก็ปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้น สุ ข, ขเวทนาเนี่ยยังถือว่ามันเป็นสุขถิติสุขหมายคาอว่าถ้ายังดำรงอยู่ตราบใดก็เป็นสุขอยู่ตราบนั้นแต่ถ้าสุขอันนั้นหมดไปล่ะแปรไปเปลี่ยนไปกลายเป็นทุกขทันทีส่วนทุกเขเวทนาเนี่ยนะมันทุกตราบเท่าที่มันยังคงอยู่ทุกตลอดตราบเท่าที่ความทุกนั้นยังอยู่ จะเป็นสุขต่อเมื่อแปรไปแม้หมดความทุกข์เมือ่อใดก็สุขแท้เนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะความทุกข์ที่หมดไปนี่เรียวกว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเหมือนกันนะสุขตรงไหนสุขตรงที่หมดทุกข์นีนะสุขตรงที่หมดความทุกข์ส่วนอาทุกขมสุ ข, ขเวทนาเนี่ยนะถ้ามีปัญญารอบรู้พิจารณาท่วนทีเนี่ยสุขแต่ถ้าไม่มีความรู้อะไรเลยอันเนี้ยทุกข์มาก เรียกว่าบรรยากาศท่ามกลางความเฉยเฉยเนี่ยนะไอเ้อเฉยเฉยแบบคนมีความรู้นี่เขามีความสุขนะคือรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรแต่มันก็เฉยใช้แบบคนมีปัญญาเนี่ยมีความสุขแต่ถ้าเฉยแบบคนโง่ล้วโอ้โหทุกอะไรจะทุกเท่ากับความเฉยเรีา อ, อะไรนะมันทิศทั้งหลายไม่ปรากฏไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยนะเรียกว่าท่ามกลางความเงียบเนี่ยสดงว่าเงียบเงียบกริบเลยเนี่ยนะไอ้คนมีความรู้นี่มีความสุขนะยิ้มเลยนะ ไอคนไม่รู้เครียดขึ้นมาทันทีแหละไอท่ามกลางความเฉยเฉยเนี่ยสมมุติถ้าเราเราคุยกับคนที่เขาเฉยเฉยเนี่ยใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าไอคนเฉยเฉยเนี่ยเขาเป็นยังไงรอบรู้เรื่องของเขาทั้งหมดนะเราจะมีความสุขแต่เอาไงกันแน่วะเนี่ยเราจะเริ่มทุกข์แล้วเ พ, พราะอะไรเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมในท่ามกลางความมืดเนี่ย อย่างสมมติว่าแบบบรรยากาศความมืดในห้องห้องที่เราอยู่เนี่ยนะถ้าเรารู้ว่าทั้งหมดในห้องเราที่มันมืดเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรไม่มีภัยไม่มีอันตรายทั้งหมดเนี่ยนะเราจะนอนอย่างสบายอย่างมีความสุขแต่ถ้าไอ้ไอมืดเนี่ยมันมีอะไรบ้างไม่รู้เลยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปบ้างเนี่ยมันจะทุกข์ขนาดไหนเพราะฉะนั้นไอ้ความอุเบกขาวเวทนาอะไรก็ตามแบบเป็นที่ตั้งแห่งความเฉยเฉถ้าเรามีความรู้เราก็เป็นสุขถ้าไม่มีความรู้ทุกแน่นอนเนี่ยนะ คือคือไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยทีน่นี้คำถามต่อไปอีกเนี่ยนะเจาะลึกสําหรับผู้ที่รอบรู้ในเวทนาเนี่ยเขาการที่จำแนกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอัุก ข, ขมสุขเวทนาอย่างไรชื่อว่าสุขเวทนาสภาวะของสุขเวทนาเป็นอย่างไรสภาวะของอทุก ข, ข, ขเวทนา เ, นเป็นอย่างไรสภาวะของอทุขขมสุขเวทนาเนี่ยเป็นอย่างไร คำถามและคำตอบอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นยาตะปริญญาเนี wrote, ่ยนะเพราะถือว่ากำหนดรอบรู้วัตถุและอารมณ์ของเวทนากำหนดรอบรู้วัตถุของสุขกำหนดรอบรู้วัตถุของทุกกาหนดรอบรู้วัตถุของอทุกขมสุขทีนี้ข้อความที่เป็นปัญหาลักษณะตรีระปริญญาก็คือว่ามันยังสุขเนี่ยสุขเวทนาเนี่ยเป็นสุขพ่ออะไรเป็นทุกข์พ่ออะไรทุกขเวทนาเป็นสุขพ่ออะไรเป็นทุกขพ่ออะไร อุเบกขาเวทนาเป็นสุขเพ่ออะไรเป็นทุกข์พ่ออะไรรู้ว่าเวทนาเนี่ยนะสุขเวทนาสะท้อนมหาสุขมหาทุกข์ก็ได้ทุกขเวทนาเนี่ยสะท้อนให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ก็ได้อุเบกขาเวทนาสะท้อนให้เกิดความสุขความทุกข์ก็ได้อันนี้แสดงว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาไขครวญรอบรู้ว่าเวทนาเนี่ยเป็นปัใจจัยให้เกิดสุขอะไรบ้างเป็นปัใจจัยให้เกิด ความทุกข์อะไรบ้างรอรอบรู้ความเป็นไปของเวทนาเป็นอย่างดีปัญหาอันนี้เป็นลักษณะของตีระปริญญานี่เป็นคำถามเชื่อมโยงไปหาพหาหนาปริญญานะเพื่อที่ต้องการละอนุสัยทั้งหลายเพื่อจะละอนุสัยในเวทนาเนี่ยนะเริ่มต้นขึ้นว่าอนุสัยอะไรย่อมเนื่องอยู่ในสุขเวทนามันไม่ละนอนเนี่ยไม่ได้แปลว่าหลับนะมันหลับอยู่ในสุขเวทนา คำว่าอนุสัยเนี่ยบางทีเขาบอกว่าแปลว่านอนเนี่ยผิดไหมไม่ผิดแต่ไม่ได้แปลว่าหลับหลับอยู่ในสุขเวทนาบอกไม่ใช่มันนอนอยู่แถวนั้นอ่ะเอานอนแบบเตรียมพร้อมอมามรู้ว่าได้เหตุ ป, ปั๊บเกิดปั๊บเลยทันทีอ่ะเพราะฉะนั้นอนุสัยอะไรที่มันตามนอนอยู่ในสุขเวทนาอนุสัยอะไรตามนอนอยู่ในทุกขเวทนาอนุสัยอะไรตามนอนอยู่ในอทุกขมสุขเวทนา โดยปกติการมาราคาุใยตามนอนอยู่ในสุขเวทนานะการมาราคาเนี่ยนะความใคร่ด้วยอำนาจความพอใจเนี่ยความต้องการที่เต็มไปด้วยอำนาจความพอใจเนี่ยโดยมากก็ติดอยู่ในสุขเวทนาส่วนปฏิคาุใสอันเนี้ยตามนอนอยู่ในทุกขเวทนาความโกรธอ่ะนะปฏิคาุใสเนี่ยความโกรธนี่ก็ น, นอนอยู่ในทุกขเวทนา ส่วนอวิชานุสัยเนี่ยตามนอนอยู่ในอาทุกขามาสุขเวทนาก็จริงอะนะว่าสุขเวทนาก็นํามาซึ่งความชอบใช่ไหมทุกขเวทนาก็นํามาซึ่งความชังความเกลียดความโกรธอุเบกขาเวทนาละ่ะเป็นที่ตั้งแห่งความโง่เนี่ยน ะ, อ, ะอย่างบรรยากาศที่เฉยเฉยเนี่ยนะโอ้ยอะไรก็คิดไม่ออกเนะี่ยคิดอะไรก็ไม่ออกเลยจังว่าชอบก็ไม่ใช่จัว่าชังก็ไม่ใช่เนี่ยนะ มันง่เขลาจริงๆเลยนะนึกอะไรก็แบบเคยซึมซึมบ้างไหมเคยแบบรเรียกว่าจะว่าง่วงไม่ใช่ว่าหิวก็ไม่ใช่จะว่าอะไรก็ม่ใจะว่ายากก็ไม่ใช่ไม่ยากก็ไม่ใช่ก็เฉยๆแล้วรู้อะไรบ้างขณะนั้นเลยนะเข้าใจบ้างเอ๊ะสภาพแบบนั้นเนี่ยเพราะเหตุใดเพราะปัจจัยใดและจะนํามาซึ่งอะไรเป็นต้นเพรา ะ, ะนั้นความสุขเนี่ยจึงจึงเป็นเหตุให้ราคะเนี่ยนะกิเลส ท, ที่มีกําลังเนี่ยเกิดขึ้น ราคะก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าวิธีส่งเสริมราคะทําไงก็ทํำยังไงให้เขาได้รับความสุขที่สุดเนี่ยนะการให้ความสุขนั่นแหละคือการส่งเสริมราคะอันนี้หมายความว่าสุขในกามนะสุขในรูปสุขในเสียงสุขในกลิ่นสุขในรสสุขในโภตาภาสุขในปิยรูปสารูปโดยมากความสุขเหล่านี้นํามาซึ่งกามราคานุสัยสําหรับผู้ที่ไม่มีไม่มีปัญญาไม่มีวิชาความรู้ในสุขเวทนาเนี่ยนะ คือผู้ที่ไม่มีปกติเจริญเวทนานุปัสนาเนี่ยพวกนี้เมื่อได้รับความสุขโดยมากก็เกิดคา ม, มาราคานุสัสเมื่อมีความทุกข์โดยมากก็จะเกิดปฏิคานุสัสถ้าอุเบกขาเมื่อไหร่ก็อวิชานุใสเนี่ยนะจังเช่นไอบแบบแบบทะเลที่มันนิ่งเลยเนี่ยนะเรารู้ไหมอะไรมันจะเกิดขึ้น มันนิ่งมันนิ่งมันแหมมันไอเงียบกริบนิ่งเกินไปเนี่ยแหมมั น, งงนะนะมันงงเหมือนกันนะมันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะไอท่ามกลางความคิดดูนะบอกนั่งสมาธิเนี่ยมันใกล้ตัวอวิชามากที่สุดไอสมาธิที่ไม่เจริญเนี่ยนะบอกโอ้ยนั่นแหละเจริญความโง่เขลาดีที่สุดเลยนะนั่งเฉยเฉยซึมซึมงงงงนิดหลับนิดๆเนี่ยนะอ่าสับกับพะวังเยอะหน่อยนะตื่นกัตื่นมากอ่าหลับมากกัตื่นเงี้นะ แต่มันก็นั่งอ่ะมันก็นั่งได้นะมันก็ไม่สับประงกตไม่อะไระคิดอะไรก็ไม่ออกในแหม่มันทีก็กว่าจะรู้ตัวก็ตื่นไม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะ่ะเออเนี่ยถ้าตื่นได้ตรงเวลาบอกแหมสมาธิเข้าลึกเหมือนกันที่ไหนได้เนี่ยนะถามว่ามีความรู้อะไรบมื่ตอนนั่งนะนะั้นน่ะคือไม่ได้เข้ามาไม่ได้ปฏิเสธนั่งนะแต่ปฏิเสธไอ้ความคิดขณะนั่งอนะ่ะไอ้คิดแบบเฉยเฉย ง, โ ง, โงนะนะ้อง้อนั้นน่ะไม่ชอบเลยแต่ที่นั่งไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ตําเนตการนั่ง แต่ตําเนียความอาวิชชาว่าอาวิชชานี่ช่างเลวร้ายแท้เนี่ยนะนั่งเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงบางทีก็ไม่ได้ให้ไปยืนเน่ยนะไปยืนอาจจะเมื่อยก็ได้นอนก็าอาจจะไม่ค่อยดีใกล้ตอนหลับเป็นโต้นแต่ว่านั่งอดีแล้วแต่ว่านั่งคิดอะไรนั่งเจริญอะไรเพราะปกติเนี่ยนะไอ้ความเฉยเฉยเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชา